บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงนัยยะของนิพพานหรือวิอยปส์คือคำที่ใช้แทนชื่อนิพพานที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมาโดยทํามบับซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะเหล่านั้นก็คือการหมดไปของกิเลส ได้การเพิ่มพูนขึ้นอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องของธรรมะซึ่งโดยหลักของกา ร, รปฏิบัติแล้วคนเราแต่ละคนก็ปฏิบัติลดกิเลสเพิ่มธรรมะกันอยู่เมื่อกิเลสลดลงไปความทุกข์ก็ลดลงไปเมื่อธรรมะเพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าเป็นการอยู่ในช่วงของการต่อสู้กัน บางครั้งกิเลสก็ชนะธรรมะบางครั้งธรรมะก็ชนะกิเลสยามใดที่ธรรมะมีปริมาณมากพอเขาก็กำหลักกิเลสไปได้นะได้นานๆทำให้อาการที่ปรากฏออกมาทางกายทางวาจาของคนก็เป็นการสะท้อนของธรรมะออกมาหรือท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ปุรุษคือผู้สงบบ้าง เรียกว่าสมณะที่แปลผู้เป็นบาปบ้างเรียกว่าบัณฑิตที่แปลผู้ฉลาดบ้างวันก่อนได้กล่าวถึงวัยพจทธของนิพพานมาสองคำคือมัตตนิมรา โ, โนที่แปลว่าเป็นหลักธรรมที่ทำลายความมัวเมาต่างๆออกไปีปัปสวินโยเป็นการนำความกระหายหิว เดิมนาดของราคะเดิมนาดของโลภะเดิมนาจของตัณหาออกไปจากจิตใจของผู้ปฏิบัติอย่างสิ้นเชิงลักษณะอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงเห็นว่าจิตใจของสามัญชนกับพระยาติโยนแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คืออารยสมุขขาดตัวแปลว่าการถ่ายถอนเสียซึ่งความเยื่อยใหญ่ความอาลัย ในสิ่งที่ใจคนกําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจท่านพุทเจ้าถึงนิพพานนั้นท่านตัดกิเลสที่เป็นเหตุให้มีความเิียหายอะไรออกไปเพราะความอะไรความเยื่อใ่ต่อสิ่งทั้งหลายซึ่งใจท่านเคยกําหนดกําหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจมาในการกอดมันก็หมดตามไปด้วยแต่ว่าสามัญชนเรานั้น สามารถทำได้ในบางระดับคือตัดความย่ยใหญ่ความอะไรลงไปได้ในบางระดับแต่ถ้าเรามองให้ซึ้งก็จะเห็นจุดต่างอีกระดับหนึ่งที่ทานเรีนิปิธาคือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายของพระอริยบุคคลนั้นเกิดจากปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบปินิพิจารณา แล้วก็เบื่อหน่ายในทุกในโทษในสังสารวัฏต่างๆต้องการจะทาตนหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดจะสิ่งเดล่านันแต่ความเบื่อหน่ายซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของสามัญชนมีไม่น้อยที่เกิดขึ้นมาจากปฏิฆะคือความไม่ชอบเป็นตะการของวิภาวะตัณหาคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็น เกิดความเบิดดตายความไม่พอใจความไม่พอไม่ชอบใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าถามใจลึกๆ ล, ล, ลงไปก็จะได้คำตอบว่าที่จริงแล้วใจมันคขว้คว้าอย่างอื่นใจมันปรารถนาอย่างอื่นตรงนั้นจึงไม่ใช่เป็นอาการของการถ่ายถอนความอะไรแต่ว่าเป็นอาการของวิาวาตัญหาเพราะเราจึงเห็นว่าภายในจิตใจเราไม่สงบ เราไม่เย็นอย่างที่ท่านสงบอย่างที่ท่านเจนแต่ก็มีบางกรณีที่เป็นการเบื่อหน่ายจริงๆโดยการมองเห็นโทษไปจักแจ้งขึ้นภายในใจแล้วก็ลดละสิ่งเราดันออกไปจิตใจจะไม่มีความเย่อยิ่ความอาลัยในสิ่งนั้นเพราะถ่ายถอนความ อ, อาลัยออกไปได้วันนี้ปุรนสเกต อันดับความปรารถนาในเรื่องบางเรื่องเช่นคนบางคนเคยสูบบุรี่มาในการก่อนต่อมามองเห็นโทรงการสูบบุรี่แล้วก็ลดละเลิกการสูบุรี่ออกไปต่อไปนั้นในตอ น, นแรกๆก็อาจจะเกิดความอยากที่จะสูบบุรี่อยู่บ้างแต่เมื่อเสริมจิตใจของตนในเข้มแข็ง ม, มากยิ่งขึ้นในที่สุดก็ไม่อยากสูบุรี แม้จะมีคนเชิญชวนชักชวนก็ไม่สุขเดินๆก็ได้กลิ่นบุหรี่แล้วรู้สึกไม่สบายก็ไ่ปรารถนาที่จะได้กลิ่นบุหรี่แล้วนันแต่ตรงนี้จะต้องสังเกตอี ก, อ ก, ท, อกที่หนึ่งว่าจะต้องไม่มีความรู้สึกโกรธไม่พอใจในคนสูบบุหรี่ถ้าอย่างนั้นจะมีความรู้สึกยังไง ก็อตอบว่าต้องมีความรู้สึกสงสารต่อคนที่ตกเป็นทาสของบุรีเพราะอะไรเพราะถ้าเรารู้สึกโกรธการลดละเหล่านั้นเป็นการลดละกิเลสสายราคะสายโลภะเลยไปเพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นซึ่งก็คือทำนองเดียวกันมันจะเป็นอาการของวิปวัตนาดังกล่าวแล้ว ดานั้นตามีการตรวจสอบถึงชีวิตในขณะนี้ในปัจจุบันนี้แต่ละท่านก็ได้ผ่านการลดละการสงบระงรับการดับมาหลายได้เรื่องแต่ถ้าเราบอกกลับไปก็จะเจอว่าบางเรื่องเนี่ยไม่มีความอาลัยแล้วบางเรื่องยังมีความอาลัยยัง ม, มีความเสียดายยังใครจะได้ใครจะมีใครจะเป็นใครจะย้อนหวนกลับคืนมา เราจวดดูจิตทั้งสองกระแส่ากระแสหนึ่งที่ตัดความอะไรได้จริงๆกระแสหนึ่งที่ยังมีความเย่อหญ่ความอะไรอยู่แม้จะล ด, ดละไปแล้วก็ตามก็เห็นความแตกต่างกันทันทีว่าความรู้สึกยังเย่อหอย่งยังอะไรอยู่นั้นจะเพิ่มความประสันอากขึ้นายในใจ มออีอาการอาการของความผิดหวังความทุกโทมนัดความกระทบกระทั่งทางใจประกฏอยู่ภายในใจก็กลายเป็นสนิมใจที่ทำให้ใจเราสูญเสียความสงบแตยการถ่ายถอนการหมดอะไรได้จริงๆก็จะทำให้ใจิตใจเราสงบสามารถอยู่กับปัจจุบันได้แทนที่จะแกว่งไปสู่อดีตไปสู่อนาคต ใจก็มาอยู่ที่ปัจจุบันอย่างน้อยก็เป็นระดับของสมาธิอ่อนๆเพราะลักษณะเหล่านี้ที่ท่านแสดงคุณสมบัติของพระหันว่าเป็นผู้ไกลอันที่จริงแล้วลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาพระหันท่าก็มีตาหูจมูกจมูกกายใจเหมือนกันท่านก็จะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งอยู่โดยปกติแต่เนื่องจาก ท่านในถ่ายถอนกิเลสเป็นเหตุให้มีความรักความใคร่ในสิ่งทั้งหลายออกไปสิ่งนั้นแม้จะมีการปรุงแต่งเพื่อให้เกิดเพื่อกระตุ้นความรักความใคร่ความปรารถนาของบุคคลอื่นแต่สำหรับพระหารแล้วมันก็ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่าท่านทำลายกิเลสแล้วทำให้ท่านไกลจากกิเลสภายในใจไม่มีเยื่อใๆอะไรอยู่ เรียกว่ไม่มีเชื้อเป็นการดับโดยไม่มีเชื้ออยู่แล้วพอ ม, มาถึงจุดนี้ท่านสาชนก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับไฟที่เราจุดขึ้นเมื่อต่อมาไฟมันมอดไปแต่ยังมีเชื้ออยู่ถ้าเราเชื้อไฟไปวางไว้ไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาได้แต่ในจุดนั้นเองถ้าไฟดับไปแล้ว แม้เราจะเชื่อมมาสมกองไว้เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาจิตใจของพระอาจรเองก็จะมีลักษณะอย่างกันเพราะในแนวการปฏิบัติตามรอยพระอระหันต์ก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ต้องปล่อยให้ผ่านแล้วไปจิตใจไม่ต้องโหยหาอะไรเราะโหยหาอะไรไปมันก็เท่านั้นเอง คือแทนที่จะสงบใจแล้วก็เพิ่มความทุกข์ใจแยวทุกข์ใจจากสิ่งที่มันสูญหายไปแล้วจากสิ่งที่มันตายไปแล้วจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วซึ่งทำไปก็ไม่มีอะไรกลับพื้นคืนมาถ้ า, ากว่ามีการประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้เป็นการตัดความเยื่อใยอลาไหลในบางระดับออกไป ทำนองที่ท่าน อ, อุปมาเหมือนกับน้ำลายที่เราทมทิ้งไปแล้วเราก็ไม่มีความเยื่อใยความอาไหลที่จะนํากลับคืนมาอีกเช่นใดเรื่องราวต่างๆที่เป็นโทษที่สร้างปัญหาเกิดขึ้นแก่เราแล้วสิ่งเหล่านั้นได้ผ่านไปแล้วจิตใจอย่าไปหวนอาไหลอย่าไปเป็นทุกข์ใจอย่าไปเดือดร้อนใจกับสิ่งเหล่านั้น เพราะแนเ่เรานี้เราก็เดินถามพระอาราหันต์เดินตามทางพระอาราหันต์ได้โดยเฉพาะย่างยิ่งก็คือเยื่อใหญ่อะไรในการมาคุณปัญหาทรงมีพระเจ้าทรงประรบมาตั้งแต่ตอนต้น ๆ, นๆก่อนที่จะประกาศปฐมเทศนาโดยทรงเอาธรรมะมาเทียบเคียงกับพื้นจิตของคนวัธรรมะแต่ละข้อนั้นมีลักษณะของการถ่ายถอน เป็นธรรมะคำสอนที่ลึกซึ้งรู้ได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตเลียกเย็นคนที่เฉลี่ยฉลาดเท่านั้นเองจะรู้ได้ไม่สามารถที่จะคาดเดานึกเดาเอาหรือสารนิธานเอาได้แต่พอมองคนแล้วกลับมีปัญหาคือตรงกันข้ามกับธรรมะไปหมดคนนั้นมากด้วยความอาลัยความเยื่อใหยความเนหา ยากต่อการที่จะถ่ายถอนตนเองออกมาจากอารมณ์ น, นั้นซึ่งนากสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าบางครั้งเราประลบถึงเพียชนคนที่รักของเราซึ่งพระๆจากไปหรือตายไปบางทีตายไปตั้งนานแล้วพอถึงวันตายของบุคคลอันเป็นที่รักของเราเราก็ประลบกันมาคุยกันเสร็จแล้วก็จับกลุ่มร้องโคมร้องไห้กัน เป็นการดึงออกความโศกซึ่งเคยดับไปแล้วแนด่ดิแต่เป็นความดับที่ยังหลงเหลือเชื่ออยู่เพราะยังมีความเสน่หาอะไรอยู่พอเหนียวนึกตึกนึกขึ้นมาพอพูดการเข้าโดยคิดบ้างโดยได้ยินบ้างในสุดก็หักข้ามใจิตใจไว้ไม่ได้ก็ร้องโุมร้องไห้กันพอถึงปีก็ทาอย่างนั้นอีกพอถึงปีก็ทาอย่างนั้นอีก นั้นแสดงเห็นว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะแต่ละปีที่ร้องให้แต่มันเกิดประโยชน์อะไรมันก็เกิดไปแล้วแต่กลับไปการเพิ่มความทุกข์ซึ่งมันควรจะดับไปตั้งนานแต่ก็ดับไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ายังมีความรู้สึกผูกพันด้วยอำนาจของฉันตราคะคือความกำลัดด้วยอํานาจของความขอใจในสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเรามองกลับไปฉีดถึงว่าสิ่งที่เป็นอนดีตที่จริงไม่ได้มีเฉพาะเรื่องที่เรารักถามว่าคนสัตว์ที่เราชังนั้นเราเคยเหนียวนึกตรึกนึกในแต่ละรอบปีหรือเปล่าก็เปล่าส่วนใหญ่ใครใครไม่ค่อยคิดถึงแม้ส่วนที่เราเฉยๆยังไปใหญ่คือหายไปแล้วก็หายไปเลยก็แสดงว่าถ้าเราแบ่งให้เป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มละสักสากว่าเปอร์เซ็นต์ มันก็มีปัญหาแค่เรื่องวัตถุกรรมที่สร้างความย่ำใหความอะไหล่ใแก่เราเพียงกลุ่มเดียวคือ3ามจกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะส่วนที่เป็นโทษเราก็ไม่เดียวนึกสึกนึกไปเกิดความสศกส่วนที่เฉยๆก็ไม่เดียวนึกสึกนึกก็แสดงว่าจริงๆแล้วเราปล่อยวางได้เราตัดความย่ำใหอะไหล่ได้ถ้าใจไม่กำหนดด้วยความกำหนัดจนเกินเหตุ หรือแม้แต่จะเคยกําหนดด้วยความกําหนัดแต่ใจก็ตัดได้โดยปัญญาด้วยสติเรื่องมันแล้วไปแล้วคนก็ตายไปแล้วของก็หายไปแล้วของก็แตกไปแล้วเศร้าโศกไปก็เท่านั้นเสียดายไปก็เท่านั้นร้องหอบร้องไห้ไปก็เท่านั้นเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นเองสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมันก็ตัดกระแสตรงนั้นได้ ถึงก็หมายความว่าแม้เราจะทําไม่ได้อย่างที่ท่านรมอย่างสมบูรณ์ด้วยชันเท่าสาหะที่มีอยู่ภายในจิตใจก็สามารถที่จะลดละความเยอยัยอาลัยในบางระดับลงไปได้ก็สัมผัสความสุขความสงบในจุดนั้ น, น, นตามสมควรแก่การปฏริบัติในแต่ละขณะได้เช่นเดียวกันประการที่4ี่นั้นเรียกวัวตถุปฏิเสธโดคือเข้าไปตัดวัตถะ เป็นการพูดถึงพระยาบุคคลหลังจากตายโดยเฉพาะพระอรหันต์หลังจากตายเพระาะใดเพราะว่าพระยาบุคคลสามประเภทแรกนั้นท่านยังหมุนอยู่ในสังสารวัฏอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งชาติแต่ว่าไม่เกินเจชาติก็แสดงว่าย่นสังสารวัฏซึ่งยาวไกลให้สั้นลงแต่ไม่ถึงกำหมดในชาตินั้นเพราะนัคนที่ตัดวัตะได้จริงๆก็คือพระอราหันต์เท่านั้น แต่ถามว่าวตฏะมันคืออะไรวัตะเป็นอาการหมุนวนของเรื่องอยู่สามเรื่องใหญ่ๆซึ่งก็เปอาเนื่องกันไปท่านหลาเจนว่าที่จริงขณะจิตของเราจิตใจของเราก็มีอาการวัตะคือหมุนวนอยู่ในเรื่องเหานั้นบาเรื่องเราไม่รู้่เริ่มมาเมื่อไหรแล้วจะจบเมื่อไรเรื่องของข้าวปราอาหารบางอย่างที่เราชอบเป็นปกติ เมื่อรับประทานไปแล้วคือสวยผลแล้วเป็นวิบากเป็นวิบากคือผลของการรับประทานนะใจมันเก็บความอยากในอาหารเหล่านั้นเอาไว้ด้วยพอถึงจุดหนึ่งกิเลสคือความอยากที่จะรับประทานอาหารเหล่านั้นก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ทาตามกระบวนการนั้นก็กลายเป็นกรรมแต่รับประทานเข้าไปก็กลายเป็นผลคือวิบากเราก็รู้สึกกรดอร่อย เก็บตัวผลไว้อีกกิเลสก็เก็บไปอีกมาหลังอยากอีกปรุงอีกกินอีกก็เก็บไปอีกก็หมุนวนกันอยู่นี้ตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าอาหารประจำภาคเจนน้ำพิกประทูของภาคกลางปลาลาของภาคอีสานแกงส้มของภาคใต้แกงหังเลของภาคเหนืออะไรเนี่ยกินกันมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่เราจะเห็นลักษณะของวัตัะที่ชัดว่ามีกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากก็หมุนกันทยอดได้เกิดมาใหม่ๆยังไม่เกิดกิเลสในเรื่องนี้เราก็ให้ผลคือให้เขากินบางทีก็กินนานๆแล้วก็เก็บเป็นความชอบเอาไว้ก็กลายเป็นความใคร่คือความอยากได้ในสิ่งเดียดนั้นก็มาความ ก, รร ม, กรรมกิเลกก็เกิดขึ้นละ ต่อไปเพระอเถิก็เรียนก็ปรุงก็รับประทานก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้อีกเพราะแต่และเรื่องในชีวิตของเรานั้นเป็นวัตตะคือมันหมุนหมุนจนหาจุดจบไม่ได้เมื่อไหร่จะเลิกสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีแม้จะมีถึงสามที่จริงก็ตามแต่จริงๆแล้วมันก็มีเพียงหนึ่งก็คือตัวกิเลสที่เป็นกรววเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทั พอกระทําแล้วมันก็ต้องเกิดผลจากการกระทําวิธีการหลฝงของท่านก็คือการไปตัดที่ตัวต้นตอก็คือกิเลส ท, ท่านเองวตะในรูปของการหมุนบนวงใหญ่คือการหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเพราะเห็นว่าชีวิตของเรานั้นมีเหตุปัจจัยคร่อมกันอยู่สามชาติทกันเรามีกิเลสเรามีกรรมซึ่งเป็นเรื่องอดีต มาตกแต่งให้เราบังเกิดในภพในชาติในกำเนิดที่แตกต่างกันถามว่าทําไมแตกต่างกันเราสั่ ง, งง่ายๆว่ากามังสเตวิพัชติยดีดังฮีนับปณีตตายะการมเป็นผู้จําแนกแบ่งแยกให้คนเลวคนปุรณีตคนสูงคนต่ำแตกต่างกันโดยกำเนิดแต่ว่าการมที่ยิ่งมันก็เป็นแค่ผลถามว่ากรรมมาจากอะไรก็มาจากกิเลส หมายความว่าถ้าเราไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมคือการกระทำใชตัวอย่างอาหารจะยกไว้ในตอนต้นถ้าเราไม่มีความอยากจะกินน้าพริกประทูการปรุงการซื้อหาอาหารจะนิดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีก็กินไม่ได้ก็แสดงว่าวิบากมันก็ไม่มีกรรมมันก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะตัวกิเลสมันไม่มีคือความอยากมันไม่มี ในกรนีเหล่านี้แม้เรื่องอื่นๆก็จะเป็นเช่นนั้นท่า น, นหลายจะเห็นว่าสถานรื่นเงบันเทิงต่างๆมีมากมายกายกองถามคนหนุ่มคนสาวบางคนก็อธิบายได้ละเอียดเราไม่รู้เรื่องเลยทำให้เราเมื่อไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ไม่มีความอยากในเรื่องตอนนั้นแต่การไม่มีความอยากในลักษณะนี้มันไม่จะเกิดขึ้นจากปัญญาแต่เกิดขึ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ มันก็คล้ายๆกับคนที่ที่เป็นเด็กสมมว่าเป็นเด็กอะไรก็ตามที่มีสิ่งเป็นมากเด็กไม่อยากได้ที่ไม่อยากได้เพราะเธอร้ายเดียงสาคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เท่นานั้นเองแต่มีไม่น้อยที่มันเกิดขึ้นจากเรารู้ถึงแม้จะมีอยู่แต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรแก่การไปเราก็ไม่ไป ก็แสดงว่าความรู้นั่นเองเป็นการตัดกิเลสอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเมื่อการไปคือกรรมไม่มีผลของกรรมจากการไปในที่นั้นก็ไม่มีก็แสดงเราก็ดับวัตตะตรงนี้นได้ในขณะที่โยชนไปหมุนอยู่ตรงนั้นไปน่นมากเราไม่ได้ไปหมุนู่ตรงนั้นแต่ที่ยุ่งก็คือไปหมุนในที่อื่นแล้วก็ลักษณะของใจที่คอยควา้าเราเห็นว่าคล้ายๆกับวัตุ ก, การามทั้งหลาย คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีวัตถุกรรมแบบแต่จริงวัตถุกรรมก็คือวัตถุกรรมบาทีเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันก็เป็นวัตถุกรรมก็ทําให้ติดอยู่ในตรงนั้นธรรมะปฏิบัติจึงมีแนวแคล้ายๆกับเดินทางแล้วก็ผัดเปลี่ยนยานฐานะไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ไปติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคนบางคนอาจจะเล่นที่ดิน บางคนอาจจะมีบ้านหลายหลังบางคนอาจจะมีรถหลายคันบางคนไม่เอาสิ่งเหล่านั้น แ, แสดงว่าคล้ายๆกับไม่ยินดีนะไปเล่นพระเครื่องไปเล่นลายครามไปเล่นสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นไปสะสมสะแสตมเป็นต้นจริงๆมันก็เป็นวัตถุการมเหมือนกันหมายความเว่าใจมันเกิดกรรมเกิดกิเลสเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเหมือนกัน ไปหมุนอยู่ที่แสแตม็มไปหมุนอยู่ที่เครื่องลายครามไปหมุนอยู่ที่ภาพแอพแทกอะไรต่างๆทั้งหมดนั้นกลายเป็นวัตตะทั้งหมดนั้นตรงนี้ท่านจึงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาพินิกพิจนามองให้เห็นโทษของอาการที่หมุนวนว่าทำไมเราเกิดมาไม่ดี เกิดมาในพบในชาติในสกุลในฐานะกําเนิดในรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยดีก็เพราะกิเลสเรามากกรรมชั่วมันมากกรรมดีมันน้อยเราก็เห็นโทษตรงนั้นแล้วทํายังไงรอย่ะให้กิเลสหยาบบาปมากเนี่ยมันหมุนพัดพาเรามากเกินไปเราก็ไปลดปริมาณของกิเลสในปัจจุบันเมื่อกิเลสบรรลดลงไป ตามทั้งหลายมันก็ลดเราอาจจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไม่ได้เพราะนั้นคือรูปธรรมนามธรรมแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือการกระทำการพูดการคิดของเราออกไปได้พอถึงจุดหนึ่งคนก็ไม่สนใจรูปร่างหน้าตาได้แล้วเขาพูดถึงความดีของคนดีเขาไม่พูดถึงรูปร่างหน้าตามันแสดงให้เห็นว่า เราก็ลดวัฏตะที่มันเลวร้ายลงไปครือการหมุนบนที่เลวร้ายลงไปผลนี้เราสัมผัสมันก็ดีขึ้นแม้กิเลสจะยังมีอยู่ก็าตามแต่ว่าควบคุมทิศทางของการบุนไว้ได้รือถ้าเราคุมกิเลสไว้ได้กรรมมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีผลมันก็จะออกมาในทางที่ดีาผลบงใหญ่คือตายไปบังเกิดในภพชาติต่างก็จะบังเกิดในภพชาติที่ดี ตรงนี้ท่านสาชนทัานหลายเจนที่จริงมันก็วัตตะคือหมุนบนเหมือนกันเพียงแต่ว่าทิศทางการหมุนบนนั้นเราคุมได้ตอนนองค่าๆกเราตกไปในกระแสของมหาสมุทรถ้าเรามีความสามารถในการคุมทิศทางของภาณนะที่เราอาศัยอยู่มันคงโตงขึ้นตกลงเป็นปกติธรรมดา แต่ว่าภัยอันตรายนั้นจะเกิดขึ้นได้น้อยลงบางครั้งเราก็สามารถนำนาวาไปได้โดยสวัสดิ์ีนี่จะเห็นได้ว่าประเด็นมันก็คือการว่าายหนึ่งมันคุมไม่ได้ายหนึ่งมันคุมได้เราคุมได้มากคุมได้น้อยคุมได้มากเทา่าไรมันก็คุมที่ทางที่เราดาเนินไปให้บรรลุผลที่ดีได้มากยิ่งขึ้น พลธรรมะปฏิบัติจึงมีอยู่สองระดับระดับตัดกระแสของวัตตนั้นเป็นเรื่องสูงสุดก็าเรียกว่ามีพระหัตเป็นยอดหรือว่าเป็นจุดสุดยอดของคำสอนในพุทธศาสนาแต่ธรรมะระดับศีลธรรมจัญญานั้นเป็นการควบคุมทิศทางโดยควบคุมที่ปริมาณของกิเลสคือลดปริมาณของกิเลสแล้วก็ลด ปริมาณของกรรมชั่วทำให้ผลคือวิบากนะั้นมันดีขึ้นจนสามารถที่จะสยบกิเลสไว้ภายในให้ใจถูกคุ้มครองรักษาด้วยธรรมะถึงหมายความว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยมันจะเป็นไปในฐานที่เป็นกุศลละกรรมผลมันก็ออกมาเป็นผลของกุศล อย่างเชการปฏิบัติรักษาศีลที่จริงแล้วมันก็มีกิเลสแล้วก็มีกรรมก็มีผลกรรมเพียงแต่ ว, ว่าเราคุมกิเลสได้คือไม่ถึงกับล้นจนละเมิดศีลเพื่อทำให้กรรมเป็นกุศลอย่างน้อยที่สุดระดับที่ไม่ผิดศีลวิบากจึงเป็นความสุขในจิฏิธรรมคือปัจจุบันแล้วก็มีความสุขในโอกาสต่ตอไป ทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรควลนิพพานย่างที่ทรงแสดงไว้ตอนท้ายของศีลที่สมาทานแต่ละกล่าวที่ว่าคือต่้เรียงตามลำดับสีเลนะโพกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยพุคสมบัติกับพระสีเป็นการพูดถึง ม, มนุษย์สมบัติเกิดสมบัติระดับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ศีเลนนสุคติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุคติได้กอพระศี จะ แ, แสดงว่าอาการกิเลสมันลดกามชั่วมันลดผลมันก็ดีขึ้นคือแทนที่จะให้ผลเฉพาะชาติปัจจุบันเป็นการอยู่ดีมีสุขหรืออยู่เย็นเป็นสุขก็กลายเป็นให้ความสุขในชาติต่อๆไปกิเลสคงมีอยู่กามก็คงมีอยู่ผลก็คงมีอยู่แต่ว่าหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการให้ไป จนถึงจุดหนึ่งคนเหล่านี้สามารถจะเลือกครบชาติที่ตัวเองอุบัติได้นะ้ครับพอมาถึงจุดหนึ่งก็สีเล น, น้นี่ผู้จริงยันต์หมายความการปฏิบัติขัดเกลาวจิตใจไปโดยลำดับนั้นก็เป็นบารมีคือเป็นสีละบารมีแล้วก็เป็นบารมีเราอื่นเพิ่มพูนขึ้นในตอนตอน้ตนๆมันเป็นแค่อุปนิสัยปัจจัย แต่พอสมบูรณ์ขึ้นมันก็กลายเป็นเรื่องวัคพลิพานดังนั้นการตามรอยพระอระหันต์ในความหมายว่าตัดกระแสะกังวัาตะได้บุคคลสามารถเดินไปตามรอยเท้าพระอรหันต์โดยการลดละ ก, กิเลสลดละ ก, กรรมชั่วเพื่อเกิดผลเป็นความสุขความส ง, งบได้ตามสมควรแก่กา ร, ป, รปฏิบัติ เป็นเดียวกันต่อจา น, นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป